แม่เป็นลมหรือจ้าแม่จวนไม่แน่ใจจึงถามยายอีกต่อหนึ่งสงสัยจะเป็นลมคนอายุย่างแปดสิบห้าหลับตาตอบมีน้ำใสไหลออกมาจากหน่วยตาทั้งสองข้างก็ดีสิยายเป็นลมน่ะดีจะได้ไม่ร้อนนางสาวจำแหล่งพล่งออกมาคราวนี้ ยายลืมตาด่าหลานสาวว่านังเด็กเวยไม่รู้จักกาละเทสะแมจวนทำไมไม่รู้จักอบรมบ่มนิสัยลูกสาวบ้างแม่จวนพลอยถูกตาหนิไปด้วยอย่าไปถือสาหาความอะไรกับมันเลยจ้ะแม่นังคนนี้มันไม่ค่อยเต็มบาทเต็มเต็ง เ, เหมือนชาวบ้านเขา ทิ์พองอยังเรียกมันว่านั่งสามสลึงลูกสาวยายพูดเข้าข้างพี่สาวหนุ่มเจริญเอาเลยช่วยกันรุมว่าค่าให้แหลกไปเลยข้าไม่เถียงแล้วประเดียวก็จะมาหาว่าอากตันยูไม่รู้บุญคุณคนอีกวันนี้อีจำแรงขอแสดงความกตัญญูให้แม่และยายด่าได้ตามสบายเชิญเลยจ้าหล่อนลอยหน้าลอยตาท้าทาย ยมัวมาพูดมากไปหายาหม่องยาดมมาเร็ว เ, วเข้าแม่จวนว่าอยู่ที่ไหนล่ะยายยาหม่องยาดมอยู่ที่ไหนหล่อนถามเจ้าของเรือนอยู่ไหนเจียนหมากนั่นยายตอบเลิกกินหมากแล้วเทียนหมากของยายก็กลายเป็นที่เก็บอยู่ยาประจาบ้านก็หลานชายคนโปรดนั่นแหละเป็นคนแนะนำ นางสาวจำแรงลุกขึ้นไปยกเชี่ยนหมากมาตั้งข้างๆคนเป็นลมแม่จวนจัดการเยียวยามานดาพร้อมกับบีบนวดให้ดีขึ้นไม่จ้าแม่่อยยังชั่วแล้วยายตอบทั้งๆหลับตานางสาวจำแรงก็มาช่วยเปิดประตูลมที่ข้อเท้าให้ผู้บังเกิดกล้าวของมานดาหักอกหักใจสิบ้างเถิดแม่ ไอ้หนูเข้าไปดีนะทําลืมๆเสียเดี๋ยวเขาก็กลับมาเชื่อคาสักครั้งเถอะมารดาหนุ่มเจริญปลอบผู้บังเกิดกล้าวทั้งที่เธอเองก็ไม่อาจหักใจได้น้ำหูน้ำตาไม่รู้มาแต่ไหนไหลพรากๆกยังกับทํานบพังก็ข่าเลี้ยงของข่ามาตั้งนานคราวนี้ยายลืมตาพูด แล้วข้าไม่ยิ่งกว่าแม่หรอกหรือเขาเป็นลูกชายคนเดียวของข้าแม่ยังมีลูกชายตั้งหลายคนพูดพลางใช้แขนปาดน้ำตาแต่ข้าก็ไม่รักคนไหนเท่าไอ้หนูของข้า ล, ลูกูพากันทอดทิ้งข้าไปอยู่กับผัวกับเมียไม่แต่เขานั่นแหละถึงไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูก เขาดีต่อขายิ่งกว่าลูกแท้ๆด้วยซ้ำยายถือโอกาสตำหนลิลูกๆแต่ถึงจะโศกเศร้าไปมันก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมาสู้ไปไหว้พระสวดมนต์ให้เขาดีกว่าคนเป็นลูกชักชวนคำพูดของบุตรสาวทำให้คนที่เป็นจุลโสดาบันระลึกได้จึงพูดขึ้นว่าจริงของเอง ข้าเป็นสิทธิ์พระพุทธเจ้าเหตุไหนจะมาเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องแค่นี้จำได้แล้วบทสวดรมวัดเชา้าที่ข้าสวดอยู่ทุกวันอปิเยหิสัมปโยโคทุขโคปิเยหิวิปโยโคทุกโค ความประจวบกับสิ่งใหม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความรัดรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์พูดพลางปลายตาไปทางหลานสาวเพื่อจะบอกว่าหล่อนคือสิ่งไม่เป็นที่รักไม่เห็นจะยากเลยยายถ้ายายทุกข์เพราะอยู่กับคนที่ไม่รักยายก็ทําใจให้รักเขาเสียสิจะได้ไม่ทุกข์ นางสาวจำแรงแนะนำข้าจะพยายามยายแบ่งรับแบ่งสู้ข้าจะช่วยยายรับรองว่ายายจะต้องลืมจเจ้าแกลไปเลยละ่ะเพราะอย่างน้อยข้าก็จะไม่โกหกยายไม่ขโมยเงินยายไปเล่นทอยกองนางจำแรงยายเรียกชื่อหลานสาวด้วยสิ่งที่ค่อนข้างดังจ๋า เจ้าของชื่อขานรับเสียงหวานยังจะมาทำนาทันล้นนี่นะข้าจะสอนเอ็งให้รู้ขอให้จำใส่ใจไว้เลยว่าคนดีจริงเขาจะไม่เอาความไม่ดีของคนอื่นมาพูดเพราะการกระทำเช่นนั้นย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่า ตัวเองไม่ใช่คนดีคนที่ว่าคนอื่นเป่าเป่า ว, ว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วยกตัวว่าดีเลิศประเสริฐกว่าใครๆคนฉลาดเขาฟังแล้วก็ตัดสินดายทันทีว่าคนนั้นหาใจคนดีจริงไหมหนออเสียจาจ คนโง่ท่านั้นจึงจะเ อ, ออหอห่หมก ด, ด้วยจำเอาไว้ยายหายเป็นลำแล้วใช่ั้ยเพราะข้าเที่ยวนะเนี่ยหลานสาวครานที่จะฟังยายเทศจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสทันใดไม่ใช่เพราะเองหรอกแต่ข้าทำใจได้เองต่างหากยายไม่ยอมยกความดีให้หลานสาว แม่ข้าว่าเราเข้าห้องพระไปสวดมนต์ให้ไอหนูดีกว่าแม่ชวนชวนมารดาดีเหมือนกันเมื่อเช้าข้าก็ให้ไอหนูทำวัดเช้าพร้อมข้าไปห้นหนึ่งแล้วแต่ลืมชวนเข้าสวดกรณียเมตตาสูตรเอ็งสวดได้ไม่ใช่หรือได้จะ่ะข้าสวดอยู่ทุกคืน ก็แม่สอนข้ามาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแล้วเอ็งสอนลูกหรือเปล่ายายย้อนถามก็สอนเหมือนกันจ้ะแต่พวกเขาไม่เอาฐานเลยสวดไม่ค่อยได้กันก็ลูกข้าดีเท่าลูกแม่เสเมื่อไหรล่ล่ะเออไม่ต้องมายกย่องตัวเองให้ข้าฟังหรอกคนที่มีลูกดีเพราะเขาทำบุญมาดี ส่วนเองคงจะไม่ค่อยได้ทำบุญยายสอนแม่อยู่แแบบว่าไม่ให้ยกย่องตัวเองเสร็จแล้วยายก็มาเป็นเสียเองหลานสาวต่อว่ามันเรื่องของข้าเองเป็นเด็กก่ออยู่ส่วนเด็กผู้ใหญ่เขาจะคุยกันแต่ข้าก็ว่าถูกของนางจำแรงมันนะแม่ มารดาหนุ่มเจริญแย้งเสียงเรียบเองสองคนเป็นแม่ลูกกันก็ต้องเข้าค้างกันเป็นธรรมดายายกล่าวแก้หากก็แก้ไม่ตกเพราะลูกสาวแย้งอีกว่าแล้วข้ากับแม่ไม่ได้เป็นแม่ลูกกันหรื อ, อยังไงคราวนี้ยายแซงทำเป็นไม่ได้ยินบอกลูกสาวว่าจะไปสวดมนต์ก็ไปกันเดี๋ยวนี้แหละ จาแหลงเองจะไปสวดกับข้าหรือเปล่ายายถามหลานสาวไม่รอกจ้ะข้าไม่ชอบสวดมนต์ชอบดูลิเกมากกว่าหลานสาวปฏิเสธหวังลูกเอ็งพูดเขาสิยายพูดกับแม่จวนแบบประชดนิดนิดเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้แหละแม่จะให้ดีเหมือนสมัยข้านะ่ะไม่ได้หรอก พอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของนางจำแลงเห็นทีจะสวดมนต์ไม่เป็นกันแล้วแม้จวนทํานายอนาคตเพราะพ่อแม่มันไม่ทําเป็นตัวอย่างนะสิทำไมจะไม่ทาค่ากับทิดพองพา ก, กันสวดมนต์ทุกคืนบอกให้พวกลูกๆสวดไม่มีใครเชื่อฟังเลยไม่เหมือนไอ้หนูของแม่รายนั้นคงจะสวดได้หมดทุกบทเพราะอยู่กับยาย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 ไม่โศกเศร้านานให้บันทอนร่างกายและจิตใจของตัวเองหรอกนั่งจำแหลงถ้าเองไม่ชอบสวดมนต์ก็ลงไปหาเก็บหักหักปืนมาเตรียมไว้ไม่ใช่รอให้มืดคำ่ำแล้วค่อยทำยายสั่งหลานสาวแล้วเดินนำแม่จวนเข้าไปในห้องพระ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 เองอย่างเล็กๆจำไม่ได้หรือลืมหมดแล้วจ้ะเรื่องจำเก่งเนี่ยต้องยกให้แม่กี่ปีกี่ปีก็ยังไม่ลืมนี่ถ้าคาอายุเท่าแม่คงจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อตัวเองเอาละไม่ต้องพูดให้มันเยินเยอะเสียเวลาไปหรอกอยากฟังก็จะเล่าให้ฟัง แล้วยาจจึงตั้งต้นเล่าความว่ากรณียเยมตสูตรนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมตตปริศเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุหา0รอยูปผู้ซึ่งเดินทางมาเฝ้าพระองค์ที่พระเชตวันมหาวิหารที่เรียกว่าวัดเชตวันใช่ไหมจ๊ะ นั่นและที่ท่านเศรษฐีอนาถบินทิกสร้างถวายพระพุทธเจ้าตอนสร้างเสร็จใหม่ๆได้ชื่อว่าอนาถบินทิกาารามแต่ต่อมาคนพากันเรียกว่าวัดเชตวันตามชื่อเจ้าของที่เดิมคือเจ้าเชตวัดนี้ อยู่ที่เมืองสาวัตถีเป็นเมืองที่พระพุทธองค์ทรงจำพันศาอยู่นานถึงยี่สิบห้าพันศาแม่แม่จำเก่งจริงๆจำได้ละเอียดซะด้วยคนเป็นลูกเอ่ยปากชมกอขาจอบฟังเทศพระท่านกอชังเทศ ข้าก็เลยชังจำอะไรที่เกี่ยวของกับพระพุทธองค์ข้าจะจำเหม่นกว่าเรื่องอื่นคนความจำดีอาธิบายแล้วต่อเธอแม่ทำไมพระพุทธองค์ท่านจึงแสดงสูตรนี้แก่ภิกษุเหล่านั้นจะต้องมีเหตุที่ทำให้ทรงแสดงใช่ไหมจ๊ะถูกแล้วคือภิกษุ หารอยรูปนี้ได้มาทูนขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมจากพระพุทธองค์แล้วจึงพากันไปหาที่สงบเพื่อบำเพ็ญจิตตภาวนาท่านเดินทางไปสู่ป่าซึ่งอยู่แถบภูเขาหิมาลัยห่างจากเมืองสาวัตถีร้อยโยธ และได้ไปอาศัยอยู่ตามโคนไม้ไกลหมู่บ้านเพื่อสะดวกในการบินถบาทเลี้ยงฉีบ พ, พวกรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้จึงต้องพากันอพยพลงมาอยู่ข้างล่างเพราะมีคุณธรรมน้อยกว่าภิกษุตอนแรกก็ไม่ได้ว่าอะไร ด้วยคิดว่าท่านคงจะมาพักแรมเพียงคืนสองคืนแล้วก็จะเดินทางต่อไปกรันเห็นว่าท่านไม่ไปสักทีจึงพากันมารังควานทำความเดือดร้อนต่างๆให้เช่นสงเสียงโหยหวนฟังดูน่ากลัวบาง แต่งทําเป็นผีหัวขาดมาหลอกหล้อนบางปรากฏเป็นรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวบางภิกษุเหล่านั้นก็ขวัญเสียไม่เป็นอันใดบำเพ็ญจิตตภาวนาจึงประชุมตกลงกันว่าจะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วผากันเดินทางกลับมา อย่างพระเชตวันมหาวิหารกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระพุทธองค์จึงตรัสกรณียเมตตสูตรซึ่งมีใจความสำคัญคือให้สัตว์โลกทั้งหลายจงมีเมตตาต่อกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นท่องจำคำสอนได้แล้ว ก็กลับมายัางที่เดิมและเจริญเมตตากระทั่งลุกขะเทวดาเหล่านั้นกลับมาเป็นมิตรด้วยในที่สุดภิกษุหาโรยรูปก็ได้บำเพ็ญเพียรจิตตะพาวนาโดยไม่ถูกรบกวนจากพวกลุกขะเทวดาเหล่านั้น อีทั้งอย่างไดยบรร ล, ลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์โดยทวนทั่วอีหวังก็มีด้วยประการาชนีสาธุคนฟังยกมือขึ้นพลางกล่าวอนุโมทนาแม่เทศเก่งจริงๆนี่ถ้าเป็นพระคงไม่มีใครเทศสู้ได้ขอดีใจที่มีแม่เก่งอย่างนี้ คนอายุย่างแปดสิห้ารู้สึกเขินจึงว่าเอ็นไม่ต้องมายอขาหรอกข่าไม่ใช่คนบ่ายอว่าแต่ว่าคืนนี้จะค้างหรือวัดจะกลับละ่ะค้างจะ่ะข้าตั้งใจจะอยู่เป็นเพื่อนแม่จนกว่าทิดพองจะกลับจากบางกอกแม่คงไม่ว่าอะไรนะขอาจะว่าอะไร ดีเสอีจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันอย่างน้อยก็ให้นั่งจําแรงมันเป็นงานเป็นการเสียก่อนข้าคนเดียวคงไม่มีแรงสอนมันแล้วแม่ไม่กลัวเปลืองข้าหรอกหรือข้ากินจุนะแม่จวนแซงเย้ามานดาข้าข้ามีตั้งยุงเอ็งมีปัญญากินหมด กดตามใจสินี่ไอ้หนูกอดซ้อมข่าวไว้ให้ต่างสองกระสอบลูกข่าคนนี้มันดีจริงๆลูกข่าตังหากละ่ะเขาเป็นลูกข่าเป็นหลานแม่ลูกสาวชี้แจงก็ขาเลี้ยงเขามาเขาก็ต้องเป็นลูกข้าสิถึงจะถูกเรื่องอะไรมาตู่ลูกคนอื่นเขา ไอ้หนูเป็นลูกค่าส่วนลูกแม่ก็ทิศสินยังไงล่ะแม่มีลูกชายกี่คนจําได้หรือเปล่าทาไมจะจํำไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ชื่อเจ้าเริญ น, นั้นขาดจําจได้แม่นเลยเที่ยวยายแซงเย้าลูกสาวเอาเถอะข้าไม่เถียงกับแม่ก็ได้ถ้าแม่อยากให้ไอ้หนูของข้าเป็นลูกของแม่ข้าก็จะตัดใจยกให้ว่าแต่ว่า วันนี้จะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้คำพูดของลูกสาวทำให้ยายคิดถึงหลานชายคนโปรดขึ้นมาอีกจึงรำพันว่าโถทูลหัวของยายคงจะนั่งหลังกดหลังแข็งอยู่ในเรือแดงขาหลองอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะถึงบางกอกทิดพองเขาว่าจะถึงกี่โมงนะ ยายถามลูกสาวตีสี่จ่ะถ้าออกจากบ้านเราบ่ายสองโมงเท็กตีสี่จ่ะถ้าออกจากบ้านเราบ่ายสองจะไปถึงบางกอกตีสี่ยายนับนิ้วขยุกขยิ ก, ยกอยู่พักหนึ่งแล้วว่าโอ้โหใช้เวลาเดินทางตั้งสิบสีชั่วโมงเฉลือ แ, แบบนี้ ขู่โดยสารก็พากันเมื่อยแย่บางกอกเนี่ยมันไกลจังเลยนะเห็นทิดพองเขาว่าเรือต้องแวะเติมน้ำมันกลางทางด้วยเลยทำให้เสียเวลาเลยทำให้เสียเวลามากข้าไม่คิดไปเหยียบบางกอกก็เพราะเหตุนี้นี่เองแม่ละ่ะอยากไปเที่ยวบางกอกกับเขาไหมไม่ละ่ะข้าไม่อยากไปตายในเรือ ขอตายสบายๆในบ้านเรานี่แหละข้าคิดถึงไอ้หนูเลอะเกินพูดแล้วก็ตั้งท่าจะร้องไห้ไม่เอานนะถ้าแม่ร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวมันจะเป็นหลังไม่ดีกับไอ้หนูนะข้าว่าเราลงไปดาย่าในสวนกันดีกว่าหย้ารกเชียวไอ้หนูเขาไม่ค่อยมีเวลาเห็นว่า ออกไปรับจ้างเลี้ยงเป็ดเพื่อหาเงินไปเรียนขยันไม่มีใครเกินล่ะไอ้หนูของขาคนนี้ดีแล้วล่ะแม่เขาขยันดีกว่าขี้เกียจคนขี้เกียจไปอยู่กับใครเขาก็ไม่อยากให้อยู่ด้วยลูกทั้งท้องข้าก็เห็นไอ้หนูนี่แหละที่จะเอาดีได้ถ้าอย่างนั้นเราลงไปดูสวนกันเถอะ หาอะไรทำเสียบางจะได้ไม่มีเวลาคิดถึงไอ้หนูของขา่ยายบอกลูกสาวแล้วสองแม่ลูกจึงพากันลงเรียนไปแต่วันกำลังจะรับขอบฟ้าความมืด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 และยังไม่บูดง่ายพวกเขาต้องกินอาหารในเรือถึงสามมือ้อจึงต้องจัดเตรียมมาให้เพียงพอจะได้มีหิวกลางทางโก้ตื่นเถอะมืดแล้วหนุ่มเจริญสกิดคนที่นอนหลับไหลอ ย, อยู่บนตักแม้จะรู้สึกเมื่อยหากก็ต้องทนด้วยเวทนาเพื่อนหนุ่มกันเชียงงวงเงียลุกขึ้นนั่งปากถามว่าถึงไหนแล้วเนี่ยกาหลับไปนาน เองคงเมื่อยแย่พูดอย่างรู้สึกเกรงใจไม่เป็นไรข้าทนได้ว่าแต่เองเถอะรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมถามอย่างอาทรดีขึ้นมากนี่ทามไม่ได้นอนตักเองข้าคงแย่เหมือนกันขอบใจเองมากนะเพื่อนข้าชักหิวแล้วนะเรามากินข้าวกันดีกว่าตกลงข้าเองก็หิวนี่ยายข้าเตรียมสเสบียงมาเผื่อเองด้วย แม่ข้าก็เตรียมมาเผื่อเองเหมือนกันตอนแรกข้าจะทําไก่ย่างมากินกับข้าวเหนียวอุตสาหข่าไก่ตั้งสองตัวพ่อข้ากลับให้เอาไปถวายท่านสมภารดาข้ากับแม่ยกใหญ่เลยแกว่าจะเดินทางไม่ควรฆ่าสัตว์เดี๋ยวจะเป็นลางไม่ดีถูกของพ่อเองเมื่อวานป้าเลี่ยมก็จะเชือดไก่มาย่างให้ข้าแต่ข้าไม่ยอมด้วยเหตุผลเดียวกับพ่อเองนั่นแหละถึงว่าสิ ที่ขาท้องเสียแล้วก็เมาเรือคงเป็นเพราะทำบาปก่อนเดินทางนี่เองคนพูดใจเสียขึ้นมาอีกช่างเถอะไหนไหนมันก็ผ่านไปแล้วกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวข้าไปเรียกพ่อก่อนหนุ่มน้อยเดินไปหาบิดาแล้วบอกความประสงค์ทิศพองกลับบอกลูกว่ากินกันเถอะพ่อถือศีลแปดแต่วันนี้ไม่ใช่วันพระนี่ครับถึงไม่ใช่ก็ถือได้ พ่อตั้งใจจะรักษาอุโบสถศีลตลอดชีวิตแม่เจ้าเขาก็อนุญาตแล้วถ้าอย่างนั้นผมขออนุโมทนาด้วยครับลูกชายประนมมือนกไหวบิดาและจึงกลับมานั่งที่ของตนจากนั้นหนุ่มน้อยทั้งสองก็จัดแจงกินอาหารมื้อเย็นกันอย่างอเอร็จอร่อยเพราะอยู่ในวัยกาลังกินกําลังนอนด้วยกันทั้งคู่